ดวงตาครับคําว่าสติตั้งอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจหมายความว่า ต, วตัวสติเนี้ยก็คือวางอยู่ตรงตําแหน่งวิสังขารใช่ไหมฮะคือเหนือต่อผู้รู้ขึ้นมาไม่มีไม่ไม่ได้เอาสติไปตั้งวิตรงวิสังขารอะไรหรอกคือสติเนี่ยก็คือเวลาเราหลงไปกับอะไรก็รู้ตัวตัวขึ้นมาไม่ต้องเอาสติไปตั้งที่ใจหมายถึงว่าหมายถึงว่าให้อยู่กับ ใจของเราเนี่ยอย่าไปอย่าไปกับ <milligram> สิ่งที่ถูกรู้ที่มาตั้งสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจก็คือว่าอย่าปล่อยไปกับสิ่งที่ถูกรู้อย่าให้มันไหลไปกับสิ่งที่ถูกรู้รูปเสียงทิ้นรสสัมผัสหรือว่าความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจอย่าปล่อยให้มันไหลไปแล้วก็อย่าเข้าไปแทรกแซงทั้งไม่ไหลไปแล้วไม่เข้าไปแทรกแซงอันนี้คือสติเนี่ยตั้งที่ใจคือสังเกตออกตลอดเวลาอ่านออกตลอดเวลานั่นคือสติเนี่ยมีหน้าที่อ่านใจตัวเองให้ขาด ก็คือตั้งอยู่ที่ตัวผู้รู้ใช่ไหมฮะอยู่ที่ตัวผู้รู้นั่นแหละเพราะว่าสติอยู่ที่ไหนผู้รู้อยู่ที่นั่นผู้รู้อยู่ที่ไหนสติที่นั่นสติกับผู้รู้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยที่บอกว่าสติที่ไหนก็สติก็อยู่กับผู้รู้นี่แหละผู้รู้อะไรอะก็เนี่ยอ่านเนี่ยผู้รู้คืออ่านใจตัวเองให้ขาดว่าหลงหรือไม่หลงเนี่ยถ้าไม่หลงก็มีหน้าที่ฟูซื้อรู้ซื้อรู้ซื้อหรือว่าศักแต่ว่ารู้อย่างเดียวถ้าไม่หลง ถ้าหลงก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมามันเลยอยู่ที่ผู้รู้นี่แน่คือรู้สึกตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาลงหรือไม่ลงหลวงตางครับถ้าเกิดอถ้าเราวางสติเหนือต่อผู้รู้อีกทีห น, นึ่งเพื่อที่เราได้เห็นตัวผู้รู้ที่ผู้รู้สติกับผู้รู้มันอยู่ด้วยกันนะถ้าไม่มีสติไม่มีผู้รู้ แมาว่าสติกับผู้รู้เป็นตัวเดียวกันเนี่ยสติกับผู้รู้มอยู่ด้วยกันสติอยู่ไหนผู้รู้อยู่นั่นผู้รู้ไหนสตินั่นสติกับผู้รู้มอยู่ด้วยกันไม่ใช่เราถ้าอย่างนั้นเน่ยหมอจะเอาสติมาหาผู้รู้ไม่ใช่นะเพราสติกับผู้รู้มันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีผู้รู้คือไม่มีผู้อ่านใจตนเองแต่ยังมีผู้อ่านใจตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าหลงหรือว่ารู้ซื่อหลงหรือว่ารู้ซื่อ ถ้าไม่มีสติมาอ่านใจตัวเองมันก็ไม่มีผู้รู้ถ้ามีผู้รู้แล้วอ่านใจเองตลอดเวลาอันนี้มันเท่ากับว่ามีสติไม่ใช่เอาสติไปคอยรู้ผู้รู้อีกทีไม่ใช่พอหลงแล้วก็รู้สึกหลงแล้วก็รู้ไม่หลงก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้อย่างเงี้ยมันเท่ากับมีสติตลอดเวลาไม่ใช่ว่ามีสติไม่มมมอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่แล้วที่ว่าเออเห็นผู้รู้ มันยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดเวลาที่เป็นวิญญาณขันนะฮะที่มันยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาอันนั้นก็คือต้องอาศัยสติมาดูไอตัวผู้รู้ที่มันยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาใช่ไหมครับคือสติต้องตั้งสติใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจจึงจะเห็นจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยมันยุกยิกอยู่ในใจตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าอตัวสติอยู่เหนือตัวผู้รู้ไหมฮะ ออืคือถ้าวางอยู่บนตัวผู้รู้มันก็เหมือนกับว่าไม่มันก็จะไม่เห็นตัวผู้รู้ที่มันยุกยิกยุกยิกอยู่ไม่ใช่สติเนี่ยมารู้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมารู้ไอ้ตัวที่มันยุกยิกยุกยิกยกิกไเนี่ยสติเนี่ยมันรู้ไอ้ตัวยุกยิกยุกิกนี่นะไม่ใช่ว่าสติไปไปวางอยู่บนในตัวยุกิกยุกยิครับถ้าเปรียบเอถ้าเปรียบเสมือน อ่ผู้รู้หรือปัญญาณอคตินี้เป็นเป็นดาวเลิกนะฮะแล้วตัวตัวอาการเป็นดาวเคล้อ่ผู้รู้มารู้อาการก็คือดาวเลิกมาส่องแสงให้ให้ดาวเคล้ออันนี้ถ้าหากว่าเราจะดูให้เห็นตลอดทางเนี่ยคือทั้งตัวดาวดาวเลิกและดาวคล้อเนี่ยเราต้องอ่วางไม่มีว่างอะไรเนี่ยหม อ, อยังเขาจะติเดือดเดืเดมันเหมือนอย่างเนี้ย มันเหมือนกับว่าผู้รู้เนี่ยคือบ้านหลังเนี่ยหรือเหมือนกับเจ้าของบ้านผู้รู้เปรียบเหมือนบ้านหลังนี้เปรียบเจ้าของบ้านหลังเนี้ยแต่ผู้รู้อันเนี้ยมันไม่มีตัวตนหรอกไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันเลยเปรียบเหมือนกับบ้านหลังเนี้ยเปรียบเหมือนบ้านเลยเหมือนเหมือนบ้านหลังแต่บ้านหลังเนี้ยมันมีความรู้เพราะมันเป็นธาตุรู้ไงบ้านหลังเนี้ยเปรียบเหมือนเป็นธาตุรู้คือร้างหลังเนี่ยเป็นธาตุรู้ แต่ไม่ใช่ว่ามีตัวเราอีกตัวงอยู่ในธาตุรู้นี่แต่บ้านทั้งหลังเนี่ยมันคือธาตุรู้แต่อันเนี้ยบ้านเนี้ยเป็นธาตุดินก็คือมีของแข็งแล้วก็มีธาตุน้ํามีธาตุลมมีธาตุไฟแต่บ้านหลังเนี้ยมันไม่มีธาตุรู้อันหนึ่งมันก็เลยเคลื่อนที่ไม่ได้ถ <Sm EO> <mon 's obic> ้าบ้านหลังเนี้ยมีดินน้ําลมไฟอยู่แล้วบ้านหลังนี้มีดินน้ําลมไฟอยู่แล้วแต่มันขาดอันเดียวคือธาตุรู้ถ้มีธาตุรู้ผสมบ้านหลังนี้เคลื่อนที่ได้มีชีวิตจิตใจเลยฉะนั้นก็เปรียบเหมือนว่าบ้านหลังเนี้ย มันคือมีชีวิตจิตใจมีธาตุรู้อยู่ด้วยมีธาตุรู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปอยู่ในบ้านหลังนี้อีกทีนะทีนี้เวลาเลี้ยงหมาเนี่ยหมาเนี่ยเวลามันเปิดประตูรู้ปุ๊บมันจะวิ่งออกไปนอกบ้านวิ่งไปนอกบ้านปุ๊บมันก็หมาเนี่ยเวลามันไปได้อะไปได้อะไรมาไปหาอาหารไปได้กระดูกหรือว่าไปไปคาบเอาอะไรมาก็ตามไปคาบสัตว์ที่ตายมาก็ตามเนี่ยมันจะไม่ไปกินนอกบ้านหรอกหมาเนี่ย สัญชาติาณมันนะมันจะลาก tamam. เอากลับเข้ามากินในบ้านเมื่อหมาเนี่ยมันไปกินอะไรเนี่ยมันเอาเข้าวมาเอาข้ามากินในบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันก็ต้องรู้บ้านหลังเนี้ยเปรียบเหมือนกับมันมีมันมีมีธาตุรู้มีชีวิตมันก็เลยรู้ตลอดเวลาว่าเนี่ยหมามันเอาอะไรเข้ามากินในบ้านนะไอ้ที่บอกว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจก็คือเป็นบ้านหลังเนี้ยอย่าอย่าขาดจากความรู้ว่าหมาเนี่ยคือจิตที่ปรุงแต่ง หมาเนี่ยคือจิตปรุงแต่งมันวิ่งไปเอาอะไรมาปรุงแต่งในใจมันเห็นคนปุ๊บมันก็เอามาปรุงแต่งในใจเอาคนนั้นมาปรุงแต่งในใจมาคิดวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเขาว่าคนนี้เป็นอย่างไงคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เอามาวิพากษ์วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยู่ในใจเราก็คืออยู่ในบ้านเนี่ยใจก็เปรียบเหมือนบ้านหลังเนี่ยมันก็เลยบ้านมันก็เลยรู้ว่าเนี่ยจิตมันเอาดูควาวิเคราะห์อยู่ในในบ้านแล้วคือใจเนี่ยเปรียบเหมือนบ้านใจนั่่่นนะคือรู้ไวา มีสติเอาสติอะในตัวเราเนี่ยไปตั้งไว้ที่ไว้ที่ตัวใจอีกอันหนึ่งใจนั่นแหละคือรู้รู้นี่คือสติสตินั่นคือใจเพราะว่าถ้ามีสติน่ยใจมันก็เลยรู้ตลอดเวลาเนี่ยจิตเนี่ยเหมือนหมาเนี่ยมันออกไปออกไปกินปุ๊บแล้วมันก็วิ่งออกเอาอะไรเข้ามากินในบ้านคือไปเห็นรูปปุ๊บมันก็ไปไปเอารูปเข้ามากินในบ้านกินเขาว่ายังไงอะมันกินเขาว่ายังไงทั้งรักทั้งจางพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจมันก็เข้ามากินในบ้านบ้านก็คือใจใจนั่นคือสติ มันก็เลยรู้ว่าพอมีสติอยู่มันก็เลยรู้ว่าเนี่ยหมามันเอาอะไรมากินในบ้านแล้วพอไปได้ยินเสียงได้กลิ่นริมรถหรือว่าสัมผัสอะไรหรือว่ามีอาการอะไรทางใจแม้แต่มีอาการนะมีอาการทางใจทุกชนิดนะมันก็เป็นสิ่งทีน่นอกบ้านเพราะบ้านมันคือใจไงอาการของใจไม่ใช่ใจอาการของใจก็เปรียบเหมือนว่ามันอยู่นอกบ้านอมันอยู่นอกบ้านหรือว่าอาการของใจเป็นอายตนะภายนอกนะมันเลยเรียวกว่าอยู่นอกบ้าน อาการของใจเพราะ บ, บ้านคือใจแต่อายตนะภายนอกคือธรรมลมคืออาการของใจเฉะนั้นอาการของใจไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ภายในนะอาการของใจอยู่ภายนอกบ้านบ้านคือใจเฉะนั้นข้าสติไม่ขาดเนี่ยใจเนี่ยหรือบ้านเนี่ยมันจะต้องรู้ตลอดเวลาว่าไอจิตปรุงแต่งหรือหมาเนี่ยมันไปคาบอะไรอ่พอไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอไปรู้อาการของใจเนี่ยมันคาบเอามากินในใจมากินเอามาแพะเอามากินเอามา ลกบ้านเนี่ยเอามาลกเอามาเหม็นในบ้านได้หมดเลยเนี่ยใจมันก็ต้องรู้เพราะมันสติมันไม่ขาดเนถ้าสติไม่ขาดได้ใจมันก็ต้องรู้ตลอดเวลาว่าหมาหรือจิตเนี่ยมันไปเอาอะไรมากินในบ้านมันก็จะต้องรู้ตลอดเวลาเลยเนี่ยสติอ่ะก็คือมันประกอบกับใจนี่แน่มันประกอบกันอมันประกอบกับใจคือมันไม่มีสติมันก็เลยไม่รู้ว่าหมามันเอาไปกินในบ้านใจอ่ะมันเลยไม่รู้ ว่าท่นเด live ้กลว่าสติที่ไหนความรู้นั่นความรู้ไหนสตินั่นสติกับความรู้มันอยู่ในการพอไม่มีสติมันเลยไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยไปเอาอะไรมาจิตเนี่ยคือหมาเนี่ยมันเอาอะไรมาแทะในบ้านมากินอะไในบ้านแต่พอรู้แล้วท่านก็ไม่ได้บ่อยทาอะไรเพราะว่าสติไม่ขาดแล้วเนี่ยพ้สติไม่ขาดมันจะรู้ตลอดเวลาว่าจิตเนี่ยหรือหมาเนี่ยมันไปเอาอะไรมาเอามากินในบ้านพอสติไม่ขาดแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ทําอะไร ให้รู้ซื่อสื่อสัจตวรรู้เฉยๆไม่ให้ทําอะไรนะเพรา ะ, ตะสติไม่ขาดแล้วก็รู้ซื่อสื่อสัจตวร ร, ร, รู้สัจตว่ารู้ซื่อสื่อสัจตวาเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุผลมันก็เลยใจมันก็เลยวา่า un, งเปล่าเงียบสงบสงัดไปทั้งจักรวาลโลกธาตุอาการท้องใจมันก็ปรากฏอยู่แต่มันปรากฏอยู่ในความในใจที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนนู marine, ่นตันั้น เหตุใดเล่าเมื่อไม่เข้าไปแทรกแซงสิ่งที่มันเอาเข้ามากินในใจหมาเนี่ยมันหมาหรือว่าจิตมันมันไปเอาเข้ามาปรุงในใจแล้วใจมันไม่เข้าไปแทรกแซงอาการเหล่านั้นที่มาที่มันมาปรุงที่เอาอะไรมาปรุงหรือว่าจิตมันเอาลาดเอาอะไรมาปรุงในใจเนี่ยแล้วใจมันมันได้แต่รู้สู้มันไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ติดไปกับที่มือปรุงมันรู้สู้อย่างเดียวนะไม่ติดไปกับสิ่งที่เอามาปรุงในใจแล้วไม่เข้าไปแทรกแซง มันเลยกลายเป็นจิตเดิมแท้เลยจิตดั้งเดิมแต่แท้หรือใจดั้งเดิมแท้เพราะอะไรใจดั้งเดิมแต่แท้หรือจิตดั้งเดิมแท้คุณสมบัติของมันได้แต่รู้แจกแจงไม่ได้หลงไปกับสิ่งใดไม่ได้มันเป็นธรรมชาติแท้ๆคุณสมบัติแท้ๆตามธรรมชาติของภาตุรู้คือแจกแจงอะไรไม่ได้เลยคุณบัติคือธาตรู้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวตัวตนไม่มีรูปพันณสถานไม่มีกริยาการใดๆไม่มีแจกแจงไม่ได้ ผัดใส่ไม่ได้หลงจิตไปกลับอะไรไม่ได้มีหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้อะไรอะ่ะก็รู้ว่าในใจเนี่ยจิตเนี่ยจิตหรญญาณขันเนี่ยตัวสุดท้ายก็คือเป็นขันห้าตัวสุดท้ายจิตดุญญาณขันเนี่ยไปรู้ตาทางตาหูจมูกนิก้วใจใจรู้รูปรู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็รู้อาการคือรู้ธทำอารมณ์เนี่ยมันเอาเข้ามาปรุงใน ใ, นใจ ไ, ได้ยังเอามาคิดปรุงปุงคิดจิดปรุงแต่งอย่างไรแล้วใจเนี่ยถักแต่ว่ารู้หรือรู้ซื่อ ถ้ารู้ซื่อทุกขณะจิตปัจจุบันที่เอาเข้ามาปรุงในใจมันก็เลยกลายไปเป็นคุณสมบัติของใจคือเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ทําอะไรไม่ได้เลยกลายไปเป็นคุณสมบัติของใ จ, จแท้ตามธรรมชาติมันก็เลยคุณสมบัติมันคืออะไ ร, ว, รว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลที่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่าเป็นความไม่มีตัวตน ไ, ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปผัสผงฐานใดๆแทรกแซงอะไรไม่ได้หลงไปกับอะไรก็ไม่ได้พยายามอะไรก็ไม่ได้จะช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดได้แต่รู้อย่างเดียว ว่าเรื่อารเป็นธรรมชาติดั้งเดิมแแท้ข อ, องจิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้หรือธาตรู้แท้แท้หรือเรียกว่าอมตะธาตุอมตะธตรธรมแท้แท้ทำไมอ่ะพระจึงบอกว่าให้รู้ซื่อหรือว่าสักตวรู้มันจะได้ไปเป็นลูกสะบัดของธาตแท้ซึ่งเป็นธาตรู้แท้ที่แรงกิริยาการใดไม่ได้แทรกแซงไม่ได้พยายามจะช่วยตัวเองก็ไม่ได้พยายามจะช่วยใจให้เป็นยังไงก็ไม่ได้มันพยายามอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่าง เมื่อเรารู้ว่ากุศบัตของเขาแท้ๆอย่างนี้เมืเจ้าจึงว่าถ้าเธอสักแต่ว่าพะยะเธอก็จะกลับไปเป็นท่านเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ผงแต่งได้เกิดไม่ดับนั่นแหละแต่เพื่นพูดอย่งางพวออันนี้ที่พูดมาทั้งหมดคือทั้งเหตุทั้งผลเลยว่าเพราะอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้ให้ช่วยเข้าใจเหตุและผลหน่อยไม่ใช่ว่าเราเอาแต่ความคิดเราเอาแต่อารมณ์เราเอาแต่ความอยาก ไม่ใช่ฮะพุทธเจ้าสอนเนีมีปัญญาช่วยเข้าใจเหตุผลเน่ยเหตุผลว่าทำไมจึงต้องทําอย่างนี้เพราะเหตุใดทำไมาจึงต้องทําอย่างนี้ทําไมจึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยพุทธศาสนาสอนให้มีเหตุมีผลช่วยทาําความเข้าใจหน่อยถ้าเราไม่ยอมทาําวามเข้าใจเน่ะสุดท้ายเราก็ทําอย่างที่เราต้องการเราเราก็ทําอย่างที่เราทําเราพยายามจะทําอย่างที่เราทํา พราะอะไรเราไม่เข้าใจเหตุและผลว่าถ้าทําเหตุอย่างนี้ผลมันเลยไปอย่างนี้เพราะทําเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้แต่พอเราไม่ทําเหตุแบบนี้ผลก็เลยไม่เกิดอย่างนี้ทําไมพุทธเจ้าจึงบอกว่าพยัสถ้าเธอสักแต่ว่ารู้หรือบอกกับพระมารุปยบุตรว่าถ้าเธอสักแต่ว่ารู้เนี่ยถ้าเธอสักแต่ว่ารู้รู้อะไรก็รู้เนี่ยธรรมชาติที่มันปรุงแต่งในใจของเราเนี่ยถ้าเธอสักแต่ว่ารู้ เธอสอบตาวรูธรรมชาติจิตยังปรุงแต่งไปในใจของเราเธอจะสับตาวรู้ทุกอย่างเลยในโลกนี้เพราะอะไรเพราะเธอคือใจที่ไม่ปรุงแต่งแล้วเธอเลยกลายเป็นสับตาวรู้เป็นคุณสมบัติของธาตุรู้แท้ๆตามธรรมชาติคุณสมบัติคือได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้สอบตาวรู้หรือรู้ซื่อๆเท่านั้นจะปรุงแต่งอะไรไม่ได้จะแทรกแซงอะไรไม่ได้หลงไปกับอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นคุณสมบัติแท้ๆของเขาเหตุใดเราจึงต้องระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้สักแต่ว่า สัตว์วรุเพราะว่าเมื่อเป็นสัตววรุมจะได้ไปเป็นไปเป็นคุณสมบัติของธาตรู้ตามธรรมชาติที่แทรกแจงอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้พยายามทําอะไรไม่ได้ถ้าเธอสัตว์วัุจริงๆในทุกธิยาการใดๆเนี่ยไม่เข้าไปแจกแจงไม่เข้าไปปรุงแต่งไม่เข้าไปพยายามไปเป็นแสดงแอคชั่นพยายามทาอะไรขึ้นมาได้นั่นแน่คือเธอธรรมชาติเป็นธรรมชาติแท้แล้วแล้วก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง เวลาตายแล้วก็หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งและแน่นี่คืออันนี้คือเหตุและผลพ้เราไม่เข้าใจตรงเนี้ยเราไม่เข้าใจตรงนี้เราก็อยากจะปรุงแต่งเราจะปรุงแต่งอยู่นั่นแหละถ้าเราอยาจะปรุงแต่งจะช่วยตัวเองพยายามจะทำหนวุ่นพยายามจะทำหนึ่งนี้พยายามจะพยายามจะช่วยตัวเองมันไม่ยอมมันไม่ยอมไปวางสักทีมันมันไม่ยอมรู้เฉยเฉยสักทีมันไม่ยอมอย่างนั้นสักทีมันมันไม่ยอมหยุดหยุด ปากอยู่พูดในใจสัทีมันไม่นิ่งไม่เฉยสักทีอย่างนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหตุผลของพระุทธเจ้าว่าทําไมจึงให้สัตวารู้หรือว่าพ่อแม่ครูบาจารย์ให้รู้ซื่อๆเหตุผลก็ว่าการรู้ซื่ อ, อหรือว่าสัตว์รู้คือธรรมชาติปล่อยไม่ปรุงแต่งไม่สามารถปรุงแต่งได้จะได้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งสัทีแล้วเมื่อไหร่ที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเราก็จะพ้นพุนพ่มโดยถาบนบวา ท่านกล่าวไว้อย่างนี้แล้วเราเข้าใจอย่างนี้อ๋อมันก็ง่ายแล้วในการปฏิบัติอ้าวแล้วมันทาอะไรได้มันทําไม่ได้สักอย่างเดี๋ยวผมเป็นเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่เรายังปรุงแต่งเย้งเย้งเยงเยงเย้งเอ๊ฟังยังไงไม่เข้าใจก็มันเนี่ยมันยังปรุงแต่งอยู่เลยเนี่ยมันยังปล่อยวางไม่ได้นี่มันยังหมกมุ่นอยู่นี่มันยังเป็นอย่างนู้นอยู่นี่มันยังเป็นอย่างนี้อยู่อ๋อไอที่มันบนบนมันเป็นอย่างงุ้นได้ม่นอย่างนี้ได้บ่นงงเงี้มมมมัันนนนเเปปปป็็รรรรชชาาตตติิอะไไุงงแ่ มันพึ่งมาปรุงแต่งอะไรได้ก็เราจะไปเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งแล้วเราจะมายุ่งกับอะไรกับธรรมชาติที่มันปรุงแต่งก็เพียงเข้าใจแค่เนี้ยก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมายุ่งอะไรกับเขาอะก็ไอ้ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งมันมายุ่งกับไอ้ธรรมชาติฝ่ายไม่ฝ่ายที่มันกำลังปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งไปเนี่ยมันมายุ่งไม่ได้เพราะมันเป็นโดยธรรมชาติแท้ๆของมันไม่ใช่ว่าเราพยายามทําตัวเราให้ไม่ไม่ไปยุ่งกับอะไรพยายามจะทําตัวเราให้ไม่ไปยุ่งกับอะไร มันทําไม่ได้หรอกไอ้ไอธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งอะ่ะมันจะพยายามไปทําตัวเราให้เป็นไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับอะไรเราพยายามไม่ไปยุ่งกับคนโน้นไม่ยุ่งกับนี้เราพยายามหยุดเฉยๆไว้มันทําอย่างนี้ไม่ได้น เ, น, เ น, น, นี่คือเหตุและผลที่พี่เจ้าสอนธรรมจึงให้ทําอย่างนี้ธรรมจึงให้รู้ซื่อธรรมจึงให้สักตะวันรู้เนี่ยคือเหตุและผลเออก็มันก็ว่า คนเราคนเราจะมีอยู่สามส่วนก็คือส่วนของวิสังขารส่งคนสังขารแล้วก็ส่งคนสองส่วนของจิตสังขารแล้วก็ส่วนกายสังขารตัวที่เคลื่อนไหวก็คือตัวจิตสังขารกับกายสังขารตัวไม่เคลื่อนไหวคือวิสังขารแล้วตัวที่เคลื่อนไหวก็คือจเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่ในในในตัววิสังขารเราแค่เห็นตัวสังขารทํางานในอ ในในในวิสังขารเมื่อไร่ก็ตามที่มี <c oughs> อาการทางใจขึ้นมาอแล้วตัว <c oughs> <c oughs> ผู้รู้ก็ไปรู้อาการทางใจออันนี้ก็คือเมื่อเมื่อไร่ก็ตามที่มีการเคขึ้นไหวทางใจก็คือตัวสังขารเราก็แค่เห็นมันทั้งตัวที่ถูกรู้แล้วก็ตัวผู้รู้แล้วก็อ <c oughs> ตัวผู้รู้เองก็โดยธรรมชาติของมันก็จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยยุ ก, กยิกยุกยิกอยู่ตลอดอ่ถ้าเราก็แค่เห็นมันเห็นมันแล้วก็เราก็ปล่อยวางอ่าหลังจากเห็นมันปล่อยวางแล้วเนี่ยอมันก็กลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความว่างในมันเป็นความว่างในจักรวาลอยู่แล้วก็เป็นตัวผิสังขารอยู่แล้ว